จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผู้ไม่ประมาททาบุญโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่6กันยายน2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ค่ะ ไปดกเล่มที่15ปฐมอัปปะมาทาสูตรข้อที่380นะตั้งหัวข้อไว้ว่าผู้ไม่ประมาททาบุญก็มีคัดข้อความออกมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ว่าผู้ ผู้ปรารถนาอายุความไม่มีโรควันณนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอันโอราณต่อต่อไปพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาทบันดิตสรเสริมความไม่ประมาทในการทาบุญผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเพราะ สามารถยึดประโยชน์ทั้งสองผู้มีปัญญาจึงได้ชื่อว่าบัณฑิตนะพระสูตรนี้ท่านจะเน้นตรงความไม่ประมาทไม่ประมาทอะไรไม่ประมาทในการทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่บางทีบางคนทำบุญมันหนีไม่พ้นนะยังมีกิเลสอยู่ก็ทำบุญเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อนโน่นอะไรนะ มันจะมีอยู่โดยเฉพาะโดยทั่วๆไปเนี่ยท่านก็ขึ้นต้นมาเลยว่าผู้ปรารถนาอายุคือบางคนก็อยากให้อะไรอะ่ะอายุยืนยาวนะไม่ไม่อยากให้ตายเร็วบางทีนี่ก็ขออะไรอะ่ะขอให้พ่อขอให้แม่ขอให้ญาติขอให้พี่น้องขอให้ใครต่อใครก็ อย่าอย่ารีบอายุสั้นให้ให้ใ ห, ให้มีอายุยาวๆไปอันนั้นนะขอเลยอ่ะทําบุญนี่ยนะทําบุญนะแต่ขอเลยไม่รู้ใครใครไม่เคยขอมัง่งคือค่อนข้างเชื่อว่าคงจะเคยขอกันมานะส่วนใหญ่ก็เลยต้องถามว่าใครไม่เคยขอดีกว่า <c ười> อ, อาจจะไม่ขอเรื่องอายุอาจจะข อ, อยังอื่นนะใช่ไหม ส่วนใหญ่อ่ะอายุนี่มันรวมไปทั้งยันด้วยนะขอให้อย่ามีอุบัติเหตุอย่ามีเพศภัยอะไรเฉพาะมีอุบัติเหตุมีเพศภยัยอาจจะถึงตายไงเพราะฉะนั้นมั น, ม น, อ, ยนอยู่ในอายุเนี่ยเพาะฉะันท่านก็บอกว่าผู้ปรารถนาอายุนะแล้วก็คราวนี้ความไม่มีโรคเอาล้วนะอันนี้รับรองค่อนข้างเจอแล้วตอนเนี้ยความไม่มีโรคเพราะว่าส่วนใหญ่ ยิ่งเวลาพอเจ็บไข้ใจป่วยเอาละเริ่มละโดยเฉพาะาโรคที่สาหัสสากร์นหน่อยโรคที่แบบว่าหนักห น, นักหน่อยเขาเนี่ยเริ่มละเพราะบางทีตามโรงพยาบาลตามอะไรพวกนี้โอ้ถ้าไปบินทบาทนี่คนใส่บาทเยอะเพราะอะไรเขาก็หวังว่าเออทาบุญใส่บาทแล้วคงจะทําให้ดีขึ้นผู้ป่วยเนี่ยเยอะเลย ตอนนั้นอาตมาไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอก็ท่านทำทับฟ้าก็ไปอยู่ช่วยเฝ้าด้วยเช้าๆช้าท่านก็ไปเดินบินดาบา่ายปรากฏว่าโอ้ล้นเลยพอกลับมาถึงที่ที่ห้องที่อาตมานอนป่วยอยู่ะนะล้นเลยส่วนใหญ่ที่ต้องโอ้คัดคัดคั ด, คดเสร็จแล้ว เอาไปแจกให้พวกยามพวกอะไรต่ออะไรเพราะฉันไม่หมดฉันไม่ไหวมันเยอะมากซึ่ ง, ง, ง, งแสดงให้เห็นเนี่ยถึงบอกว่าเออคนเราบางทีอ่ะเราต้องรอเจ็บไข้ได้ป่วยเราถึงจะเหมือนกับมาค่อยมารู้สึกอ่ะแล้วคราวนี้ถึงจะมาทําบุญแต่อย่างนั้นน่ะเรียกว่าประมาทแล้วคือต้องรอให้มันบิบากกรรมหรือว่าเพศภัยอะไรมาถึงตัวแล้วถึงจะค่อยมาทํา มันช้าไปพั้คนเราเนี่ยจริงๆปกติเนี่ยแหละรีบทำซะอย่าไปรอช้าทำได้วันนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ทำไปเลยไม่ต้องผัดส่วนใหญ่ก็มักจะผัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเด๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคาวหน้านะจะผัดไปเรื่อยผัดไปผัดมาไม่ได้ทำอ่ะแต่ถ้าไปอย่างอื่นบางทีทำเลยนะ เรื่องอะไรที่เราชอบชอบเราทำเลยแต่เรื่องทําบุญเนี่ยบางทีมันต้องเสียข้าวของเสียเงินทองเสียเวลาเสียอะไรคนก็เลยรู้สึกว่าต้องคิดก่อว่าคุ้มหรือไม่คุ้มชอบคิดอย่างเงี้ยนะทําไปแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มยิ่งบุญก็มันมันไม่มีอะไรให้เห็นเนะ่บางทีอ่ะก็ทำไปไอ้ที่เห็นเคือมีแต่เสียอกไปมีแต่เสียออกไปไอ้ที่เห็นเห็นะ แต่อาที่ได้มามันมันไม่ค่อยเห็นอะ่ะใช่ไหมเพราะไอ้ตอนทําไปมันไม่เห็นเนี่ยมันเห็นแต่เสียออกมันไม่เห็นได้เข้ามาเพราะบุญมันไม่มีตัวตนมันไม่มีหน้าตามาให้คุณเห็นนะเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่คุ้มไม่ทําคื อ, ค, อคือทําแบบอะไรอะ่ะนักธุรกิจทําแบบพ่อค้าแม่ค้าคือคือแลกเปลี่ยนไง ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มก็ไม่ทำแต่การทำบุญไม่ใช่ธุรกิจการทำบุญไม่ใช่การแลกเปลี่ยนซื้อขายการทำบุญเป็นเรื่องของการเสียสละ <c oughs> เนี่ยทำบุญทำทา น, เ, นเป็นเรื่องการเสียสละเลยบอกตรงๆว่าคุณเสียนั่นแหละคุณต้องให้ไปนั่นแหละคุณเสียสละออกไปนั่นแหละนั่นแหละคือได้ไอในหลวงท่านใช้คาอะไรนะ อะไรอ่ะที่ให้ไปก็คือได้มาอะไรอ่ะนะที่เป็นคำตัดของในหลวงอ่ะมันมก็จำสำนวนไม่ได้ละเออส่วนพ่อท่านก็เคยใช้ว่าอะไรอะไรนะอะไรนะขาดทุนคือกําไร อ, อันนั้นก็สำนวนหนึ่งละเออแล้วก็มันมีสโลกที่เราชอบใช้ก็คือ ยิ่งให้ไปก็ยิ่งจะได้มาก็นั้นก็อีกสำนวนหนึง่งนั่นแหละจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่ใช่คิดว่าต้องได้มาเราคิดแต่ให้ไปเท่านั้นแหละแล้วมันจะได้มาเองโดยที่ไม่ต้องอยากมันก็จะได้มาออนนี้นี่ปารถนาอะไรอีกท่านก็บอกบางทีเนี่ยปารถนาเรื่องอายุปารถนาความไม่มีโรคปารถนาอันนี้แหละปารถนาหนักเลย โดยเฉพาะเนี่ยแหละพวกผู้หญิงอะ่ะคือปรารถนาวันนะวันนะคืออะไรวันนะคืออะไรแปลว่าอะไรวันนะบางทีเราได้ยินสำนวนยศชั้นวันนะอ่นนั้นก็อย่างหนึ่งแล้วนะอันนั้นก็คือฐานะคือว่าอยู่ฐานะไหนอะไรยังไงอันนั้นมันภาษาไทยวันนะ เขียนเขียนแบบภาษาไทยอ่ะวันนะหรือว่าในอินเดียก็ตามที่เขาแบ่งมีเป็นวันณะต่างๆแต่จริงๆวันนะในที่นี้เนี่ยวันนะภาษาไทยเนี่ยแหละที่แปลว่าผิวพรรณผิวพรรณวันนะ่ะ น, นะ ท, ที่บางทีก็ใช้ติดกันวันเนี่ยปรารถนาอายุปรารถนาความไม่มีโรคแล้วก็ปรารถนาจะสวยอย่างนางงาม วันหน้านี่แหละผิวพรรณนี่ยแหละเออส่วนใหญ่เลยอันนี้ห น, นีไม่พ้นหรอกส่วนใหญ่อะยังไงก็อดไม่ได้หรอกถ้าไม่ขอให้ตัวเองสวยก็ขอให้ได้แฟนสวยๆคือคือไม่ขอให้ตัวเองสวยก็อดไม่ได้ขอให้คนอื่นสวยหรือบางทีเนี่ยจะมีลูกมีหลานหรืออะไรก็ขอให้น่ารักอะไรต่ออะไรอดไม่ได้อะ่ะก็มักจะต้องขอ นันี่นี่ขอมาสามอย่างนั้นนะส่วนอย่างสุดท้ายคือขอสวรรค์เพราะว่ายัางไงก็คําว่าขอสวรรค์ก็คือขอความสุขนั่นเองสวรรค์ก็คือความสุขสบายเพราะฉั้นยิ่งอันเนี้แหละแทบนี้ไม่พ้นเลยใครไม่เคยขอให้ให้ชีวิตตัวเองมีความสุขสบายบ้างนเนี่ยเนี่ยฐานไปที่เนี่ยเอาอายุมอายุมากๆเคยนะส่วนใหญ่เคยขอแหละ ขอให้สุขยังไงอ่ขอให้สุขขอให้พ้นทุกข์ขอให้พน้พนภัยอะไรต่ออะไรนะอ้าวนี้ไม่พ้นเลยเออเคยเค ย, เคยขอให้รวยรวยป่ะบิดในที่นี้ใครเคยขอให้รวยมั่งโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะอัตมาไม่เคยขอไม่เค่อยเท่าที่จำได้นะเท่าที่ระลึกได้ไม่เคยขอให้รวยหรอ แต่ขอให้เนี่ยขอให้ปลอดภัยขอให้ถ้าไปสมัครงานที่ไหนให้ได้ถ้าสอบก็แหมให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะขออย่างเงี้ยขอบ่อยแต่ขอให้รวยอาจจะชีวิตมันมันสบายพอสมควรอยู่แล้วก็เลยไม่คิดเรื่องขอให้รวยสักเท่าไหร่ไม่ค่อยขอให้รวยหรอกแต่ขอให้อย่าเจ๊งไม่ได้ขอให้รวยนะแต่ขอว่ายังไงที่เราทาทาอยู่อย่าเจ๊งแล้วกัน อ้จริงๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทํางานทํางานหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรพวกนี้นะ mm hmm. เราก็ไม่ได้หวังว่าต้องไปรวยอะไรมากมายหรอกแต่เราหวังว่าให้อยู่รอดให้ได้ mm hmm. ยิ่งบางทีเศรษฐกิจมันไม่ดีอะ mm ่ะ hmm. โอ้โหเจอนะเจอภาวะเศรษฐกิจมไม่ดีเนี่ยขายของก็ขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วไอ้เงินมันก็เฟอ้อใช่ไหมโอ้ลาบากยิ่งๆบางทีไอ้ช่วงที่เขาอะไรอะ่ะ ประกาศกฎอายการศึกหรือหรือมันมีเจราจนมีความวุ่นวายอะไรโอ้มันลําบากมากเลยจริงๆเพราะจะนั่นข่าวนี้แหละไอ้ที่ขอก็คือเนะี่ยขอให้มีกินขอให้อา่ารอดได้ขออะไรอย่างเงี้ยคือขอให้อย่าเจ๊งง่ายๆไม่ได้ไปขอรวยหรอกนะอแต่ขอให้อย่าเจ๊งเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่ขอขอนะ่ะจริงๆแล้วคืออะไร ขอให้อย่าทุกนั่นเองบางคนอาจจะไม่ได้ไปขอความสุขนะแต่เพราะว่าขอให้อย่าทุกก็ไอคำว่าขอให้อย่าทุกจริงๆก็ก็ขอให้สุขนั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเลยนะลายไหนก็ลายนั้นค่อนข้างเชื่อนะอาตมาว่าเนี่ยในที่นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอาตม า, าเชื่อว่าคงไม่พ้นนะ่ขนาดอาตมาเองก็จริงๆไม่จะไปขออะไรมากมายนัก น, นะชีวิตนี้ก็ค่อนข้างอยู่กับ ความสุขความสบายมาพอสมควรคือคือคือรุ่นพ่อเนี่ยยากลําบากนํามาจากเมืองจีนอย่างเงี้ยพ่อแม่มาจากเมืองจีนโอ้โหจริงๆเลยสัมนวนอะไรนะเสือผืนบอนใบจริงๆอ่ะเสื้อก็เอามายากบอนก็ไม่รู้จะเอามาทําไมมาหาใหม่ดีกว่าแต่มันเป็นสัมนวนที่เขาใช้ว่าเสือ้อผืนบอนใบมาหมายถึงว่ามีแค่นั้นเนี่ย แล้วก็มาใช่ไหมแล้วก็มาโขมาอาศัยความขยันมาอาศัยเรียวแรงที่จะแบบว่าตัดฟันทํางานขึ้นมาโหเก็บสะสมนะโยมพ่อโยมแม่มาที่ลาบากเก็บสะสมเก็บสะสมเก็บสะสมว่าจะได้เงินกว่าจะอะไรขึ้นมาได้เก็บขยันทํำเข้ามาแต่ใช้ออกไปน้อยๆคือต้องประหยัดมากๆ ยิ่งโยมพ่อเนี่ยก่อนมาจากเมืองจีนน่ะคือคือโยมพ่อไม่้เล่าให้ฟังนะส่วนใหญ่โยมแม่เล่าให้ฟังบอกโอ้โหลําบากมากเลยไอย้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเมืองจีนลาบากมากไม่มีจะกินเลยนะลาบากขนาดไม่มีจะกินข้าวเนี่ยแค่ข้าวเนี่ยแหละก็ไม่มีจะกินส่วนใหญ่ก็ต้องไปขุดมันมากินอาศัยอย่างนั้นขุดมันมากินจนเรียกว่าบอกไม่ไหวแล้ว บอกไปตายอาดานหน้าดีกว่าเพราะนั้นก็ยอมข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยเพราะช่วงนั้นเน่ข่าวว่าเมืองไทยอ่ะอุดมสมบูรณ์กว่าไงอออะไรนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงในน้ำก็เน่าในนาก็ท่วมเดี๋ยวนี้โอ้ลำบากละ อาตอนนี้น้ำท่วมอยู่อะเผอๆบางที่ก็แรงอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มมีปัญหาขึ้นมาบ้างแล้วแต่เ น, นี่ยแหละที่พูดอันนี้ให้ฟังว่าลำบากเพราะฉะนั้นน่ะอดไม่ได้หรอกในที่สุดก็ขอให้อย่าทุกขอให้อย่าทุกอ่าเสร็จแล้วยังไงไม่ไม่ใช่แค่ปราถนาพวกนี้นะเนี่ยพอปราถนาอายุาไม่มีโรค ผิวพันธุ์ความสูงเสร็จแล้วก็แล้วก็ขอให้เกิดในตระกูลสูงแต่อันนี้ไม่เคยขออาตมาเองไม่เคยขอนะไม่รู้ใครขอมัง้งหเปล่าเออเอาบางคนเขามีเรื่องยศศักดิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอดไม่ได้อะ่ะคือคื อ, คอชาตินี้อาจจะเป็นกรรมกรเป็นอะไรนะชาติหน้าขอให้แมมมียศศักดิ์มีฐานะอะไรให้สูงกว่านี้ ขอนะนะขอเลย น, นี่กาลังพูดว่าปรารถนานั่นแหละก็คือขอให้ได้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยขนาดว่าขอหรือไม่ขอก็ตามในความเป็นจริงอะ่ะดูสิยิ่งยิ่งยิ่งคนไทยส่วนใหญ่ในความเป็นจริงเป็นยังไงให้ลูกเล่าเรียนให้ลูกอะไรอะ่ะทำงานทำการหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป้าก็อยู่ที่ อ่าเขาใจสํานวนแหละอ่าให้เป็นเจ้าคนนายคนถ้าเป็นเจ้าคนก็คือนั่นแหละมียศถาบรรดาศักด์ให้เป็นนายคนก็อย่างน้อยก็เป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้จัดการเป็นอะไรอย่างนะนนเงี้ยนะน่ะสํานวนนี่ถึงได้มีขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังหวังที่จะให้ได้ตระกูลสูงสูงแล้วก็อะไรอีกและความยินดีอันโอรานต่างๆ คือคือคื อ, คอทั้งหมดแล้วเนี่ยสรุปรวมก็คือว่าให้ได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้ได้อะไรที่มันมันใหญ่โตกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรอะก็ลอกงอกแงกสำเหมาะอะไรอยู่เอาคิดอย่างนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่อะอหรือหรือใครบ้างในที่นี้มากน้อยสันโดษคือคือไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่า ว่าจะให้ฐานนะหรือว่าอะไรของตัวเองเนี่ยดีกว่านี้มีไหมแบบว่าเป็นอยู่อย่างนี้กับเป็นอยู่อย่างนี้ลูกหลานหรือใครก็ให้มันอยู่อย่างเนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องดีกว่านี้หรอกมีไหมหายากนะหายากเพราะส่วนใหญ่ก็ยังบางทีตัวเองยังพอเออเราพอใจแค่นี้แหละแต่ก็อดไม่ได้หรอกลูกหลานอะไรก็อดไม่ได้อีกละใม เออให้มันสูงสูงให้มันอะไรไปจนได้แหละเพราะั น, นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขนาดอย่างงี้นะแม้อย่างเงี้ยต่อให้อยากอย่างนั้นจริงๆปรารถนาขออย่างนั้นจริงๆแต่ผู้เจ้าบอกว่าจะได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทำบุญคนที่ทำบุญเท่านะั้นที่ปรารถนาปรารถนาไปถึงจะได้เพราะนั้นคนที่เอาแต่ปรารถนาคืออยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ แต่ไม่ทำบุญคือไม่ไม่ยอมทาทานไม่ยอมเสียสละไม่ยอมช่วยเหลืออะไรใครเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนนั้นไม่มีวันได้เลยอยากได้ยังไงก็ไม่ได้แต่คนที่ทำบุญแล้วเนี่ยนะสังสมไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยปาถนาอะไรก็จะได้อย่างนั้นเพียงแต่ว่ามีพระสูตรหนึ่งที่พทะเจ้าท่านตรัสไว้เพียงแต่ว่า อย่าไปปรารถนาต่ำตำแล้วกันอะไรบ้างที่ปรารถนาต่ำตำปรารถนาแค่ว่าเนี่ยแหละขอให้รวยสักเท่าไร ล, ล้านดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาว่ากันทีใช่ไหมโอ้โหเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนรู้สึกโอ้โหถ้าใครไปฟังอะไรทีอ่าเพราะเดี๋ยวนี้คนเราอะ เชื่อแม่มันขอมันก็เลยไม่ขอกระจอกเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละมันไปตามโลกาพิวัตรมันไปตามโลกขออะไรทีไม่ขอเยอะขึ้นอขอเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังผู้เจ้าท่านเตือนไว้เลยบอกระวังพวกที่ทําบุญเอาไว้แล้วเนี่ยอุตสาห์ทำบุญ ท, ทําทานอุตสาห์เสียสระอุตสาห์อะไรสะสมบุญไว้ตั้งเยอะแนะ่ปุ้ไงสะสมฤทธิ์ของบุญเนี่ยแหละเอาไว้อย่างดีแล้ว เสร็จแล้วไปปาถนาอย่างนี้แหละขอให้รวยอันดับหนึ่งในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะพู้เจ้าบอกซวยเลยนะเนี่ยไปขอเงี้ยซวยเลยนะเพราะจริงๆรอ่ะไอ้ฐานะอย่างนั้นนะ่ะต่าต้อยต่าต้อย <c oughs> อ๋อท่านถือว่าขอยอย่างงั้นไม่ฉลาดเลยนะหรือว่าอขออะไรขอให้โอ้โหได้อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำ เป็นลือสีเรียกว่าไม่ต้องมีใครมารบกวนเลยในชีวิตขอแบบเนี้ยต่าต้อย <c oughs> <c oughs> เป็นได้ด้วยเป็นได้จริงด้วยถ้าทำบุญมามาพูดง่ายๆว่าคะแนนถึงอะ่ะทำคะแนนมาถึงอะ่ะเพราะว่าพวกรวยหรือไปไปเป็นลือสีนี่คะแนนต่ำเพราะคุณทำมาได้คะแนนคุณสูงแล้วเนี่ยคุณจะไปเลือกเป็นที่คะแนนต่ ำ, ตำ คุณเป็นได้อยู่แล้วเพราะคะแนนคุณสอบมาสมมุติว่าคุณสอบมาได้สิบสิบนะสมมติว่าเต็มสิบอย่างเงี้ยคุณสอบมาได้ได้เจ็ดได้แปดแล้วอา้าวแต่คะแนนบอกว่าให้รวยที่สุดในประเทศไทยให้มีความสุขที่สุดเป็นลือสีเฝ้าถ้าถ้ไหนก็แล้วแต่คะแนนเนี่ยน ะ, ะอาจจะแค่หนึ่งเองอะ แต่คุณเนี่จริงๆุณได้จังเจ็ดจังแปดแล้วอ่ะรันผู้เจ้าเตือนเลยบอกว่าเนี่ยปาถนาอย่างนั้นมันได้จริงๆนะเพราะจิตมันพุ่งไปเลยจิตมันพุ่งไปแล้วมันก็ได้มันผู้เจ้าเลยบอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยอย่าไปให้ได้อะไรที่มันต่ําๆอย่างนั้นมันมีอะไรที่สูงกว่านั้นอีกตั้งเยอะเนี่ยอะไรที่สูงกว่านั้นที่พูดไัเนี่ยคือมันมันเป็นโลกีทั้งนั้นเลย เป็นโลเป็นลาบยศสารเสริญหรือสุขแบบโลกีทั้งนั้นที่สูงกว่านั้นมันมีโลกุตระอาลาบยศสารเสริญ ส, สุขแบบโลกุตระก็มีเพราะนั้นจะให้สูงกว่านั้นเนี่ยมาหวังอันนี้สิหวังที่เป็นโลกุตระสะิผู้เจ้าท่านเลยเตือนเพราะว่าบางทีเป็นได้อยู่แต่เพราะไม่รู้สิเพราะไปตั้งจิตอะไรไว้ผิดก็ไม่รู้ ก็เลยไปปรารถนาที่ต่ําลงไปคือมันยังมีเชื้อของโลกีนั่นเองในที่สุดก็เลยไปหวังอันนั้นนาะเพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เลยเตือนเทราะะฉนั้นบอกว่าอย่าประมาทในการทําบุญเพราะมีแต่การทําบุญเท่านั้นนะ่ะที่จะได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่ประมาทนะแล้วก็ทําบุญนี่แหละก็จะได้ได้ทั้งสองพบนะได้ประโยชน์ทั้งทั้งพบนี้ แล้วก็พบหน้าคำว่าพบนี้ก็หมายถึงพบนี้หมายถึงาชาตินี้แหละหมายถึงปัจจุบันนี้แหละวันถ้าเราทำบุญสะสมไปแล้วชาตินี้แหละได้แน่ส่วนพบหน้าก็ตีง่ายว่าชาติหน้าแต่ถ้าไม่ตีไกลนะคราวนี้ไม่ตีไปไกลพบนี้ก็คือวันนี้แหละถ้าคุณไม่ตีไปไกลใช่พบนี้คือวันนี้แหละพบหน้าก็คือพรุ่งนี้แหละ นั่นแหละอันนี้ไม่ต้องเอาไกลแล้วบุญเนี่ยแหละที่จะช่วยคุณวันนี้ถ้าคุณเกิดเหตุหรือว่าคุณอะไรขึ้นมาบุญก็มาคุ้มคุณในชาตินี้หรือว่าพอถึงพรุ่งนี้บุญมันก็คุ้มพรุ่งนี้แต่ก็แล้วแต่คุณสะสมสะสมมากคุ้มกระลาหัวคุณได้มากคุณสะสมน้อยคุณก็เสร็จใช้ใช้กระจึงเดียวก็หมดแล้ว บางทีเราใช้สำนวนว่าหมดบุญเนี่ยนั่นแหละเพราะคุณสะสมบุญไว้น้อยนี่คุณประมาทเองเพอพอคุณใช้ไปหมดเอาใช้จริงๆนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยแหละเพราะบางทียิ่งโดยเฉพาะบอกแล้วยิ่งเฉพาะบางทีมันครับขันมันจําเป็นแล้วเราก็ก็ไม่รู้จะยังไงละบางทีหาชาวบ้านชาช่องอะไรช่วยไม่ได้นะคุณก็เริ่มคิดแล้วเอาแล้วเริ่มขอแล้วคนนี้ย อ้าวจริงๆเริ่มขอแล้วมันมันมาเองเลยเพราะว่ายิ่งตอนทุกตอนลําบากเนี่ยใช่ไหมบางทีไม่หาคนช่วยไม่ได้อะจิตมันไปละมันเริ่มปรุงนมายังเคยเล่าให้ฟังเลยอาารยังเคยขอเลยขนาดปะบวชแล้วเนี่ยสอนคุณไประยุเดบบีเนี่ยนะโอ้โหมันทรมารมากๆเคยเจ็บปวดทรมารมากๆนั่นแนหะละโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งขออย่างไรรู้ไหมขอว่า ถ้าตายให้ตายไปเลยอย่าให้ทุกอย่างงี้เลยขออย่างนั้นเลยนะก็จริงๆก็คือขอให้พ้นทุกข์นั่นเองว่ามันไม่ไหวแล้วมันทรมานเกินไปเออขออย่างนั้จริงๆนะมันมันไม่ไหวจริงๆมันมันตั้งจิตขึ้นมาเลยว่าขออ่ะก็ไม่ใช่ขอใครอ่ะตั้งจิตเลยแล้วเลืกถึงพระพุทธเจ้าเลยแล้วขอพระพุทธเจ้าเลยล่ะมันไม่ไหวแล้วมันมันถึงที่สุดแล้วมันโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้ว นะมีครั้งนั้นแหละที่อาตมารู้สึกว่ามันมันเจ็บปวดมันทรมานจริงๆเลยต้องขอละ่ะขอรู้สึกวันลุ่งขึ้นจะเป็นวันนั้นนะเดินนะวันมาฆะหรือวันวิสาขะอะไรเนี่ยน่าจะเป็นวิสาขะมึงไม่ใช่โอ้ยครั้งนี้ครั้งนี้อาตมาไม่ขอเลยครั้งนี้มันลําบากอะไรก็จริงแต่ยังไม่รู้สึกว่าทรมาน คือไม่รู้สึกทรมานแบบแบบมันเจ็บปวดไอ้นี่มันจะหายใจไม่ออกก็จริงนะเอกเอครั้งหลังเนี่ยที่ป่วยไม่สบายโอ้โหมันหายใจไม่ได้เลยลาบากแต่ว่ามันมันไม่ได้เจ็บปวดแบบแบบเหมือนเจ็บแผลเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้าวโน้มันแบบมันเจ็บแผลเจ็บอะไรพวกนี้โอ้อมันมานถึงเข้าใจเลยบอกโอ้โหใครที่มันทรมานแบบไอ้ที่เขาบอกว่า ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายเนี่ยบอกเออค่อนข้างจะพอเข้าใจสภาวะว่าว่าทำไมถึงตายได้เพราะมันทนไม่ไหวนีมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวเนี่ยมันมันนั่นนั่นเลยนะมันมันปรุงจิตอะมันปรุงจิตจนในที่สุดมันทนไม่ได้มันมันเหมือนกับจิตเนี่ยมันมันตัดไปเลยอะมันมันหนีไปเลยอะมันมันเหมือนกับฆ่าตัวตายไปเองเลยอะ เพราะมันมันทนไม่ไหวมันมันอยู่ต่อไปมันทรมาน่ยจนในที่สุดเนี่ยจิตมันไอ้นั่นไปเลยก็ทนไม่ได้แล้วก็ตายแต่ตอนนี้เนี่ยจริงจริงไม่ใช่ว่าเขาทําจิตเขาได้เองนะแต่พอฤทธิ์ของพิษบาดแผลเนี่ยที่มันทําให้เขาทนไม่ได้จิตมันก็เลยหนีไปเลยอ่ะขอใช้คำว่าหนีได้กันเออเป็นอย่างนั้นจริงเลยบอกว่าเออพอจะเข้าใจสภาพแล้วนี่ขนาดมาโอ้โหดูสิ บวชมาตั้งตอนนั้นบวชแล้วนะบวชมาตั้งหลายพันศาแล้วจะถึงสิบแล้วยังน่าจะเกือบๆมั้งคิดว่านนะหรือว่าประมาณสิบพันศาแล้วโอ้โหแต่มันทรมานจริงๆรู้ด้วยนะว่าไม่ควรจะขออะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันอดไม่ได้เลยมันไม่ไหวเลยต้องขอก็คงจะพอมีบุญอยู่มัง่ง ขอแล้วท่านก็ให้ <c oughs> โอ้โล่งขึ้นมาปั๊บโอ้มันพ่วยง่ายว่าไอ้ไอบาดแผลมันก็มันนั่นไปได้ก็เลยโอ้โหโล่งเลยสบายพ้นจากวันนั้นแล้วก็สบายเลยนะไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานอะไรอีกอะไรนะ ไม่ใช่ร้องอรัวิบาวกรรมแล้วมันจะต้องเจ็บปวยมันจะต้องทรมานก็มันก็ต้องเป็นไปตามกรรมของมันแต่คราวนี้เราอาศัยบุญที่มีเนี่ยเอามาช่วยไงแล้วจริงๆมีแต่บุญเท่านั้นนะที่จะช่วยบุญนี่มีอยู่สองอย่างโดยทั่วๆไปเนี่ยคือบุญอย่างหนึ่งเนี่ยคือบุญทางจิตของเราคุณเข้าใจไหมบุญทางจิตเราคือคุณฝึกถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะมีพลังจิต ในการที่ฝึกฝนมาเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกายนะอันนี้เกี่ยวเฉพาะจิตเพราะความอดทนอดกลั้นความอะไรต่างๆนี่ขึ้นอยู่กับจิตบุญอันนี้ทาให้จิตคุณเข้มแข็งจิตคุณมีพลังอะไรต่ออะไรแม้ว่าบางทีโอ้มันจะทุกข์ทรมานยังไงเนี่ยคุณก็ยังยังพยายามทนพยายามอะไรได้ขนาดหนึ่ง ก, ก็ตามที่คุณมีพลังจิตแค่ไหนก็แค่นั้นอ่า แต่อีกส่วนหนึ่งคือบุญจากทางทางกายนี่ทางที่คุณทำบุญแบบเป็นวัตถุเป็นข้าวของเป็นแรงกายเป็นอะไรต่างๆฮ้อนข่าวนี้บุญทางกายบุญทางวัตถุข้าวของนี่คุณก็จะได้แต่อันนี้มันมันแบบภายนอกไงเรายังถือว่าภายนอกถ้าบุญทางจิตใจเนี่ยถือว่าภายในพราะมันมีสองส่วนอย่างนี้พราะเราทาบุญเนี่ยเราวังทาให้มันสมบูรณ วันพระพุทเจ้าเนี่ยถึงพยายามสอนบางทีเราทําวัตถุทานเนี่ยปรากฏว่าบางคนเนี่ยได้แต่วัตถุเนี่ยแต่จิตวิญญาณไม่ได้เห็นไหมนี่คนนี้เนี่ยได้บุญแต่ทางภายนอกแต่ทางจิตใจไม่ได้เช่นยังไงทําบุญไปแล้วเนี่ยเราขี้โลภเราหวังให้โดนหวังไห้นี่อะไรต่างๆนานาอันเนี้ยทางจิตใจไม่ได้แต่ได้ทางวัตถุ